กระตุ้นมาหลายสิบรอบเดี๋ยวลองใหม่เดีย๋ยวเพิ่งทอ้อแสดงวบุญคนกระตุนน้นน้อยร้อยบุญคนกระตุ้นมากมาเลายแต่เนี้ยโหขึ้นปุ๊บเลยทีนี้ตรงนี้แต่จริงๆตรงนี้เราไม่รู้ไงบางคนใจเขารักใช่ไหมปรารถนาแต่ยังไม่มีโอกาสท่านก็ยังไม่เฟ้นใช่ไหมใช่อันนั้นก็จัดว่าได้นะจุดนี้อันว่าจุดนี้อาจารย์จัดเองนะ คำนวณจากการอาราธนาของพรหมในปัจจุบันพบเนี่ยเพราะท่านในชั้นของคัมภีทั้งหลายนะในชั้นของดีกาเนี่ยนะดีกาเท่าที่พบนี่นะท่านบอกว่าภายราสาธารณสมุทฐานหมายถึงสมุทฐานภายนอกก็หมายถึงพรหมทูลาราธนาแต่อาจารย์นึกต้องมากกว่านั้นตามธรรมดาเนี่อาจารย์บางคนคิดมาก เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ภายนอกมีเยอะแล้วก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ขัดด้วยก็หมายความบอกว่า <c oughs> ท่านในชั้นของกัมพีต่างๆก็บอกว่าพรหมกระตุ้นเดือนจิตใจตอนที่ท่านแบกมารดาข้ามาหาสมุทรที่เป็นมารนพนมใช่ไหมแบกมารดาใช่ไหมภาพในเนี่ยสัมภารวิบากเนี่ยภาพนี้ใ <c oughs> ่ไหมภาพ น, <c oughs> นี้นี่นี่นยภาพนี้เ <c oughs> นี่ยแบก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 ปัญหาเป็นอะไรก็ว่ากันไหม <c oughs> บางคนก็ปาาาัญหาไปฟังทำจากท่านแล้วบรรูนะ้เนาะบางคนก็ปัถนาอย่างนั้น <c oughs> ลองดูไม้มปัถาานาเอาสักมากก็ดีนะหรือจะเอาเอ า, เอาช่วงนี้เอาช่วงสองพันกว่าปีนี้นะก็ก็ก็กลับมาใครครวรหมื <c oughs>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 บารมีทั้งหลายกุศลทั้งหลายหรือว่าสิกขาสามทั้งหลายที่เรากําลังเดินอยนู่เนี่ยเนี่ยเราจะเดินให้มันเอาจริงเอาจังหรือว่าให้มันคล่องแคล่วมากกว่านี้ยมองเห็นไหมตรงนี้ต่างหากที่นี้นอนก็ต้องกะเวลาไว้แล้ ว, ลวนอนมากไม่ได้แล้วตามใจมันมากกว่าเยอะตามใจมาเยอะแล้วนเนี่ยนะก็ก็กาหนดระยะไป อ, อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์วิธีคิดเออเนี่ระยะไปเขียบ้าง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 ชีวิตเนี่ยไปทำคิดอะไรมันมากมาโอ้โหท่านยมไม่ใจแข็งแบบนั้นเนี่ยไม่เห็นต้องไปแข็งอะไรก็ไปก็ลือทิง้งลือถึงยีดทีง้งนี่นมันเห็นมีอะไรเลยง่ายใช่ไหแต่ไม่ยอมทําไปเกงใจตัณหาเออแปลก <c oughs> เกงใจตัณหาเออประหลาดจะให้ไปเกงใจมันทําไมใช่ไหมก็มันทําให้เราทุกข์จะตายให้มาเกงใจเลยมันอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมไปเก่งใจไปแล้วเกินตัณหาเวลาตัณหามมนจะเอาอะไรนะี่โอ้ยงอกงอกงกเจ็บตายบุตรีใช่ไหมบุตรีปัญญาจะใช้หน่อยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเน้าเออแปลกไม่ค่อยเก่งใจปัญญาแต่เก่งใจ <c oughs> ตัณหาแล้วบอกต่อไปกลับมาบอกไม่ไหวแล้วก็เรานี่ร่างกายพังมาเพราะมันมาเยอะแล้วแล้วตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเก่งใจมั น, น, นามานานเองอย่างในสังสารวาัฏที่ผ่านมาใช่ไหม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 มันเป็นเพราะอะไรอ่ะฟังเริ่มเพลินใช่ไหมเ <_ EN _> ย<_ <EN> _>ยะธรรมตามในที่บึงแสดงเยายธรรมเหล่านั้นตลอดถึงอัธยาศัยของเราสัสตว์ตามความเป็นจริงแล้วก็ประกาศเทศนาที่ประกอบอันวิจิตตัตงตับตะตรง ต, ต, ตามอัธยาศัยของเราเวนยชนเวนัยสัสตว์เหล่านั้นด้วยพระปีชาชานฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะตรงเนี้พระองค์ก็จะใช้ฐานาฐานะนายานเป็นต้นเหล่านั้น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 ไปที่ไหนยังยินสวดกันเจ้าเจ้าเจเจ้าตามพระเจดีตามต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามสถานที่ศรรษษษักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะที่ชาวพูดนับถือก็ไปอิติปิโสปะาวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธไม่รู้อะไรก็นเราไปกันนะฝุ่นฟุ้งเลยบางทีเนี่ยนะควันก็เยอะกลับมาก็มาเจ็บป่วยกันนะี้บางทีเนี่ยนะมาก็มาบ่นเลยไม่น่าไปบ้างอะไรก็อะไรไม่รู้เยะแ ย, ย, ย, ย่หมดเลยทั้งเนี้ก็มีอย่างนี้เยอะเลยใช่ไหม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 อันนี้น่าคิดมากใช่ไหมโอ้โหเรามีคนอยู่ด้วยในบ้านใช่ไหมลูกอยู่ในบ้านเราเลี้ยงมาอะไรมาเบียดเสแล้วเนี้ยวันดีคืนดีลูกไม่เคยคิดถึงคุณของพ่อแม่เลยเนี่ยเขาว่าลูกอะไรเนะี่ยเขาเขาเรียกไงอ๋อถ้าเราเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตแต่ลูกไม่เคยเห็นคุณเราเลยก็ว่าไงาเออเนี้ยละคนใช่ไหม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 เขากลัวจะลืมพระนามของพระเจ้าเพราะคนมันห่วงการงานกันมากขึ้นกบ่กเอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกัแล้วเลยได้แก่พูดกระโทรกันนั้นตอนนักอื่นเอาไปทําดีแต่เนี้ยหายใจเข้าออกเย่หายใจเข้าเยหายใจออกสูเย่สูเสร็จเลยตานนักอื่นก็เอาหมดด่างแต่เนี้ยก็ตามพวกเราไปเงี้ยไม่ต่างต่างฝ่ายก็พอกันเลยที่นี่นี่เป็นเงี้ยนี่ก็คือ ต้องการเชี่้เห็นบอกว่าฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเนาะมาดูว่าอนุสติเนี่ย เ, ออเป็นคุณธรรมที่ต้องควรดึงกับมาแล้วก็มามาเรียบเรียงกันตามพระธรรมที่ท่านกล่าวไว้ดีแล้วนั่นเละแล้วก็ระดมกันปลุกเร้ากันในการบอกเออจเจริญพุทธคุณกันให้เป็นก่อน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 ถ้าจะงอกเงยไปถึงการรู้อัฏฐธรรมะซึ่งเกิดความชัดแจ้งในการบริหารในการเจริญอันนั้นเป็นผลกำไรจเจริญไปจเจริญมาหายหมดเลยอนาปนะหายเกลี้ยงเลยจําไม่ได้เลยจตตุกการแรกยังไล่ไปถูกแล้วเป็นงั้นไหมยอมรีเป็นงั้นมอันนี้ก็แล้วขาดทนุนนี่ขาดทุนแล้วพระพภที่ทุนหายกำไรไม่ต้องพูดต้นตุน นี่เขาเรียกว่าบริหารกรรมฐานของผู้ได้จ้าไม่งอกเงยนะตรงนั้นต้องต่อไปอย่าอย่าให้อย่าให้ทุนเดิมของท่านโคตหายทรงเขาว่าใช่ยมงินพี่ก็เอากายคตาสติสามสองไปบริหารใช่ไหมทีนี้ไปบริหารก็อย่าให้หลุดเหลือสิบหกไลาไปหล่มาหายไปไหนงเงี้ย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 อาศัยวิขมพนวิเวกก็คือในการสงบสะกดหรือคมห้ามห้ามอะไรห้ามไม่ให้นิวรธรรมทั้งหลายมาก้มรุมก็หมายความว่ากามาฉันทาพยาบาทเนี่ยทีนัมิทา่าอุทะยากุกุจารวิคีจิกยาแล้วก็สีเนี่ยพวกเนี้ยนะห้าตัวเนี่ยทําทําไมเขาถึงห้ามนิวรหรือไม่นิวร น, นี่เป็นตัวอุปสรรคเลยเนีย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 เพราะการไปยังไม่รู้คุณก็เย็นเนาะไปยังไม่รู้คุณแต่ยังพวกเราทั้งหลายเนี่ยฟังทำรร ม, มาขนาดนี้อ ก, การเดินพุทธคุณน่าจะมีผลบ้างเงินใช่ไหมใช่ไหมต้องพูดหน้านีิจิตใจใจหนึ่งยังบก <c oughs> แล้วมีบ้างบ่รู้คงน่าจะมีใช่ไหมนี่ก็ก็ลองไปพิจารณาตรงนั้นก็คือถ้าเป็นอา ร, รมนาธี่พอดีใช้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 อย่างเราเราก็ใช้เวลามานเดือนเดียวก็จบหลเพราะกลุ่มปัญญาเร็วกันอันนี้ไม่ได้พูดบอชพูดเรื่องจริงจมาพูดเรื่องจริงเ <c oughs> พราะโอ้โหมีฐานข้อมูลกันน่ะนี่เรียนเดือนเดียวนี่ผ่านได้แล้วจ้าเพราะเข้าใจหมดแล้วยเนี้ยถามทำไมที่เรียนมาก็อันอันแรกก็ลืมื อ, นนอผ่านอย่างงั้น จะเข้าใจนะฟังเข้าใจหมดเคยไปถามบางทีไปบรรยายทำนี่จะจะถามเรนะื่อยเนี่ยถามลงมาถามนียอม ย, มงยงังไงฟังแล้วเข้าใจหัวเข้าใจแต่จําไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไปโยกหลังที่ไม่อยากได้ยินนะถ้าเข้าใจแค่นี้อพอเอายอมยมพอแล้วแค่นี้พอแล้วแต่ฟังเข้าใจนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจนะแต่อย่าพูดมากกว่านั้นนะ ถ้บนมากคนนั้นเนี่ยพักใจเสียแต่จำไม่ค่อยไดยิ่งอายุมากขึ้นเป็นยิ่งจริงใช่ไหมอายุมากเนี่ยจำใหม่ยากแต่อันเก่าจำง่ายง่ายนั่นลหละก็คือประการที่สี่เป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยและเครื่องสการละเนาะประการที่ห้าก็คือไม่มีความลับในการกระทาบาปอาหังเนี่ยนะ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 บางทีก็รังเกียจตัวเองเหมือนกันนะเนาะบางทีเราไปโกรธวิวิดวิวิวดวาดๆอะไรต่างๆเบบนี้เนี่ยแต่พอแล้วตอนหน้าคนเยอะๆเราก็ไม่แสดงออกมาเนาะแต่ที่นหนได้ตอนที่เราไปแสดงรับหลังนึกว่าไม่มีใครรู้ท่านพอรู้ทั้งหลายผู้มีตาดีทั้งหลายเห็นการกระทำเราเรียบร้อยเออย่างนี้เขาจท่านจะศรัทธาเราไหมไม่ศรัทธาเลยเนี่ย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 แทต้องแกะต้องกระจายบาปออกให้จากจิตให้ได้ก่อนใช่จากจิตใจก่อนทำกายกรรมวจีกรรมและโดยเฉพาะมโนกรรมให้สะอาดถึงจะจัดว่าอยู่ใกล้เห็นทรรมและปฏิบัติชอบและได้รับการแนะนำและคิว่าอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมบัญญาอย่างเนี้ยทั้งยี่มองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นวิธีวิธีตึกพุทธคุณไงอันนี้นี่รายละเอียดในการคิด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 ต้องดิ้นหาเราก็ต้องดิ้นหาพุทธคุณให้ได้ไม่ใช่รอให้พุทธคุณดิ้นหาเราจะดิ้นได้ไงใช่ไหมพุทธคุณเป็นของใหญ่เป็นของสูงใจของเราต้องน้อมหมาท่านแล้วต้องน้อมไม่ถูกด้วยนะถ้าน้อมไม่ถูกก็ไปเลยตัเนี้ยไปคนละทิศเลยกลับมาก็ดิฉันเอาบุญมาฝากได้ไหมยอมยอมสุรีเข้าไปนี่ไปบอกที่บ้านบอกวันนี้ไปฟังธรรมไปเจริญพุทธคุณมาเอาบุญมาฝาก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 ใช่ไหมเพราะติดแล้วแต่ต้องถามว่าไอ้ที่ติดนั่น <c oughs> มันคงใช่ไหมเชือกที่มัดติดเลยนะพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยมันคงไหมถ้ายิงมั่นคงนะดูแลเรื่อยๆเลยนะ เ, เขามันคงโอ้ยนั่นก็เป็นพลังอย่างแรงในการดึอแล้วท่านเหล่านั้นไม่ตกต่ําไม่ตกต่ํา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 มีแต่เลีย้ยงมีแต่รักมีแต่ดูแลอย่างดีใช่ไหมเดี๋ยวควรจะไปเข้าใจหมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยุ่งึลย <c oughs> คือจริงๆให้เข้าใจว่าจริงๆถ้าท่านอยู่ในอัตภาพไหนท่านไม่ตกต่ําต้องการอย่มีแต่คือคุณธรรมท่านสูงเลยนี่เป็นนี้แล้วก็ลาบาประธรรมนะบาปประธรรมทั้งหลายคือราคาโทสะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเกิดขึ้นงนํามาแต่ความเสียหายเนี่ยเราเนี่ย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 อันนี้พูดเรื่องการเกลียดบาปเนะว่าละคนละคนแต่การกูนี่ยืมสินน่ะคนเดียวกันเดียวไปแยกไปออกอะยุ่งเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจผิดงเงี๋ยวมาบอกดีแล ah ้วไอ้คนที่เอาไปคนนั้นมันก็ดับไปแล้วจะมงั้นก็ไม่ต้องให้เงี่ย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 ให้วิบัติในปัจจุบันภพบนี้ด้วยแล้วก็ในสัมปรายภพก็ไม่ได้ดิบได้ดีด้วยเกี่ยวกับ น, นิพพานไม่ต้องพูดพบนี้กับพบหน้าก็เดือดร้อนตายอยู่แล้วไอ้บางทีเรามองคนไม่ถูกก็ไปซ้ำเติมใช่ไห ม, ไ, หมไปคิดซ้ำเติมเขาเราเลยพลอยไปทําบาปกับเขาส <c oughs> ิเสียเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เราโดนกิเลสเล่นงานไม่รู้ตัวอีกนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็ ถ้าเราศึกษาพระเจ้าคุณเนี่ยเราจะไม่เราจะเห็นใจเขามากเวลาเห็นคนบาปเนี่ยเราจะเห็นใจเขามากว่าโอโ้โหเพราะบาปอากุศลและทำอล า, ามกได้แท้ทําให้เขาต้องพิกลพิ ก, การเี่ยเราเห็นคนพิกลพิการเนี่ยเราก็รู้ว่า ม, มาจากบาปแล้ว เ, เห็นสัตย์เดชะเนี่ยถูกกลาลังถูกเชือดเนี่ยเราก็รู้ว่ามาจากบาปกุศลถ้าเราเระลึกชาติได้ว่าเห็นพ่อเห็นเขากํลาลังจะเชือดคอพ่ออยู่เราทําใจไ ง, ไง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 ถามหมอเจ็บไหมแล้วไม่หมอมไม่เจ็บนะบางทีที่แรกนะหมอก็มาถามถามวตอนผาตัดยังไงหมอถามอะไรมาบ้างถามว่ากลัวเจ็บไหมก็มไม่กลัวอกวอกไม่กลัวเคยไหมบอกไม่เคยตอนนี้ก็ <laughs> ย้อนถามแล้วหมอว่าเจ็บไม่เจ็บหรอกท่านเหมือนยุ่งตัดเนีวะไอ้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 เมื่อบ่มเพาะอินซีได้แข็งแรงได้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นปัจจัยในการทำให้จิตนั้นสงบจากบาปอากุศลธรรมำมลามกและในที่สุดจริงๆก็เอากระแสะของอุปจารสมาธิเหล่านั้นและธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบอุปจารสมาธินั่นแหละเอามาใข้ควรเอามาพิจารณาก็จะเห็นปัจจตาลักษณะของนามธรรมและก็รูปธรรมทั้งหลาย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 สิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงนามรทำทั้งหลายคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารแลขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่กําลังปาราบพุทธคุณคือคุณของพระผู้มีลภาคเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนะ เ, เออกลุ่มนามรรมต่างๆเหล่านี้ยเขามีคุณของพระผู้มีลภาคเจ้าเป็นอารมณ์แต่กลุ่มนามธรรมเหล่านี้เป็นนามาขันธ์สี่บวกกับรูปธรรมอีกหนึ่งคือหาทแยะวะัตถุแล้วก็มหาพุทรูปเป็นต้นตลอดถึงกรารจักรกายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะ ก, กรรมเป็นปัจจัยอ๋อเกิดขึ้นจากกรรมแนด่ดีเนาะ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 เห็นโอจะว่าเป็นขันห้ายะ ต, ะาาต่หนาทัดก็คือพริยาตัดสรุปหมดเลยในะอริยสัจเนี่ยคือสรุปก็คือว่าตัดสรุปโลกทั้งโลกภายในและภายนอกโลกที่เป็นขันก็ได้ใช่หมโลกที่เป็นสัตว์ก็ได้โลกที่เป็นภาชนะโลกก็ได้ที่เป็นพื้นโลกทั้งหลายเนี่ยนั่นคือธรรมทั้งปวงหมดเลย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 อย่างสาวกของท่านที่พูดพูดอยู่เนีนเพราะศึกษาท่านตึงรู้เข้าใจนะเนี่ยเพราะศึกษาคําสอนของท่านยังรู้ถ้าไม่ศึกษาคําสอนท่านหมดสิทธิ์รู้เลยจะรู้ได้ยังไงป่านนี้จะมาก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถวแถวบ้านนอกส ง, งสัลูกสามลูกสามลูกสี่ป่ันนี้ป่านนี้จะมาอาเสียหายเลยกลับบ้านช่างก็ดาว ใช่ไหพราใหม่ๆเขาคิว่าเขาจะพูดไม่เก่งเพราะนัาเขาพูดเก่งเนี่ยลาบากบุญเหลือเกินจะไม่รู้จะลอดไปได้ไหนไปอีกพบอีกนึงนะไปพบหน้าพลาดอีกอะไรอะไรนแย่หมดเคยพลาดมาหลายครั้งแล้วน้าขวงยิงสงสารวัดนี้ตอนนี้ก็เริ่มสบายแล้ว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 เออจัดว่าเป็นเบตตเนะจจ็ดเตล็ดนะเป็ดจตวลักษณะเนี่ยปียกย่อยเป็นเบตตเ็ดเตล็ดของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณนะนั่นเป็นข้อเบ็ดเตล็ดนะเรานะพุทธเจ้าตัดตัวรู้หมดเลยถามแล้วเราเรารู้บ้างไหมเนี่ยรูอ้อย่างเวทนาไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกเป็นหน้าตาแล้วรู้ไหมเวทนาไม่งามเป็นยังไงอ่ะเริ่มคิดหนักเลยเนี่เวทนาไม่งามเป็นยังไงอ่ะรู้ไหมใครใครช่วยอธิบายเวทนาว่าไม่งามางเป็นยังไงอ่ะเอาโยมพีอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยที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 เวลาคนเกิดโทมนานัสเวทนาคนที่โกรธจัดจัดเนี่ยเอาวางผู้หญิงวงคนโกรธจัดจัดตายแทบถลนออกมานอกเบ้าแล้วก็ตะโกนด่าสุดเสียงอ่ะนะไม่น่าดูเลยนะนั่นเขาไม่งามจริงๆเนาะโทมนานัสเวทานาไม่งามโสมนัตก็ไม่งามเวลาหัวเราะสุดเสียงก็ไม่ไม่งามม <laughs> ึงถึงบอกนั่นแหละคือคือความไม่งามเนี่ยการหัวเราะคือการร้องหไห้ในพระธรรมวินัยกองพระรยาเจ้าท่านโอ้หน้าคิดเงินเออเงี้ยเนะ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 แล้วก็ได้อนุโมทนาเมื่อมุโมทนาบุญกุศลนีแล้วก็คือว่าทากิจสำเร็จแล้วนะนี่เป็นการเจริญนี่เขาเรียกว่าเจริญเจริญกุศล